มีหมอคนหนึ่งเราว่าทุกวันเนี่ยจยโทรศัพท์ไปคุยกับแม่แล้วก็ก่อนจะวางสายประโยคสุดท้ายที่พูดอยู่ทุกครั้งเลยก็คือว่าแม่อย่าล้มนะแม่ที่พูดอย่างนี้เพราะว่าหมอคนนี้เป็นหมอฉุกเฉินนะอยู่ตึกฉุกเฉิน แล้วก็เล่าว่าเนี่ยช่วงหน้าฝนเนี่ยแทบทุกวันเลยจะมีผู้ป่วยสูงวัยมาเข้ามารักษาตัวที่แผนกฉุกเฉินเพราะว่าหกลม้มแล้วหกล้มเนี่ยคนแก่เนี่ยแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยนะกระดูกสะโพกหักหรือไม่ช่นนั้นก็ กระกร้าวเลือดออกแล้วทำให้เป็นอัมพาตเพราะว่าเนี่ยอันนี้ยังไม่ร้ายเท่ากับว่าต้องนอนติดเตียงนะสิ่งที่ร้ายแรงกว่านี่จะตามมาเพราะว่าพอกระดูกสะโพกหักพอเป็นอัมพาตเพราะว่าเลือดออกในสมองแล้วเนี่ยมันต้องนอนติดเตียงนอนติดเตียงเนี่ย ก็ยังเป็นต้องใช้สายสวนปัะสสะาวะเพราะว่าลงไปฉี่ไปถ่ายไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนพอใส่สายสวนปัะสสะาวะไป น, น, นานๆเข้ามันก็จะติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะอันนี้ก็เรื่องใหญ่เลยใครเจอการเนี่ยพอนอนติดเตียงก็ต้องให้อาหารนะนอนรับอาหารทางสายยางบางทีก็อาจจะสำลัก พอสำลักเข้าเนี่ยติดเชื้อในปอดนี่ก็เรื่องใหญ่เนะี่ยังไม่นับถึงเรื่องการต้องใส่แคมพัสนะเพราะว่าเข้าห้องน้ำไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วพอนอนติดเตียงนะแล้วก็มีติดเชื้อที่กระเพะปัสสาวะติดเชื้อที่ปอดคันนี้เรื่องใหญ่แนละ้วมีลูกก็ลูกก็ต้องมาดูแลนะ มีหลานนะหลานก็ต้องมาช่วยก็เรียกว่าทั้งบ้านเลยแล้วหมอเนี่ก็บอกเนี่ยหลังจากที่เป็นแพทย์ฉุกเฉินมานานเนี่ยพบสัจธรรมอย่างหนึ่งนะก็คือวา่าคุณจะล้มกี่ครั้งก็ได้นะแต่อย่าล้มตอนแก่นะเพราะล้มตอนแก่นี่แค่ครั้งเดียวนี่ก็ ชีวิตเปลี่ยนไปเลยนะเราก็ไม่ใช่ชีวิตตัวเองเปลี่ยนนะชีวิตของคนที่บ้านนะลูกหลานก็เปลี่ยนไปด้วยอั น, นี้เป็นข้อคิดที่น่าสนใจนะถึงแม้ว่าฤดูฝนกลางจะผ่านพ้นไปแต่ว่าการที่ผู้สูงวัยจะหกล้มนี่มันเกิดขึ้นได้ทั้งปีนะ หมอท่านนี้ก็เลยแนะนํำนะว่าเนี่ยบอกคนที่บ้านนะบอกคนที่สนใจคนที่มีผู้เฒ่าผู้สูงวัยที่บ้านราว่าเนี่ยสําคัญนะเนี่ยติดไฟให้สว่างสวยทุกมุมเลยโดยเฉพาะบริเรือนที่ผู้สูงวัยต้องอยู่หรือเดินผ่านตรงไหนเลื่อนนี่ก็ต้องมีราวให้จับหรือว่ามีแผ่นกันลื่น รองเอาไว้แล้วก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเดินด้วยแล้วขณะเดียวกันเนี่ยตัวผู้สูงวัยเองเนี่ยตรงไหนที่มันสุ่มเสี่ยงหรือว่าลื่นก็อย่าไปเดินและที่สาคัญก็ว่าอย่าดื้อ น, นะผู้สูงวัยเนี่ยอย่าดื้อ น, นะาบางทีลูกหลานเตือนแล้วก็ยังดื้อเพราะคิดว่าเนี่ยฉันไม่มีอะไรนะฉันไม่มีปัญหาอะไร ตรงนี้ฉันก็เคยเดินมาแล้วทุกครั้งไม่เคยลื่นอดีตไม่เคยลื่นนะแต่ไม่ได้หมายความว่าวันนี้วันหน้าจะไม่ลื่นนะก็เหมือนคนเรานะเราก็ตั้งแต่เกิดมาก็มีลมหายใจนะไม่เคยมีวันไหนที่หมดลมแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะมีลมหายใจนะวันนี้ไปตลอดหรือว่าวันพรุ่งนี้ อดีตนี่มันไม่สามารถที่จะไปกำหนดปัจจุบันหรืออนาคตได้ไม่เคยลื่นมาก่อนไม่ได้หมายความว่าวันนี้พรุ่งนี้จะไม่ลื่นนะแล้วก็ถ้าเป็นผู้สูงวัยแล้วหกล้มลื่นหกล้มแต่ละครั้งนี่มันหนักเพราะนั้นเนี่ยต้องรู้สักเจียมเนื้อเจียมตัวแล้วก็เตือนใจอย่าประมาทเพราะว่า ถ้ประมาแล้วเนี่ยนะมันก็าจะพลาดแล้วก็ไม่มีทางแก้ไขแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนอกจากการเปิดไฟให้สว่างการติดราวให้คนแก่ได้จับการมีอุปรกรณ์ช่วยเดินแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งนะคือสตินะสติที่จริงความไม่ประมาวกับสติมันก็เรื่องเดียวกันอยู่แล้ว เวลาเดินเนี่ยนะถ้าใจลอยหรือว่าพลังเผลอมันก็ลื่นง่ายๆนะบางทีก็เห็นอยู่นะว่ามันลื่นนะแต่ว่าไม่ใส่ใจหรือบางทีก็ไม่เห็นเลยนะว่าห้องน้ำเนี่ยมันลื่นหรือว่าทางเดินมันลื่นเพราะอะเพราะตอนนั้นใจลอยนะใจลอยคือขาดสติ คนรำก็ใจลอยอยู่เป็นระยะระยะนะัแต่ถ้ า, าว่ามีสติเนี่ยดีเนี่ยมันก็ไม่ลอยนานโดยเพราะเวลาเดินในที่ที่มันอ่สุ่มเสี่ยงนะเช่นลื่นหรือชันเนี่ยที่จริงสติมันไม่ได้ช่วยเพียงแค่ไม่ให้หกล้มจนต้องนอนติดเตียงนะสติมันยังช่วยดูแล นะไม่ให้ล้มด้วยร่างกายเราจะทรงตัวได้ดีเนี่ยไปนั่มาไหนได้ดีเนี่ยมันไมไ่ไม่ได้อาศัยสตินะต้องอาศัยสตินะแต่สตินี่มันไม่ได้เพียงแค่ช่วยทำให้ร่างกายเราท่งตัวได้ดีนะแต่ยังช่วยทำให้ใจเราเนี่ย ไม่ลื่นถลายหกล้มหรือจมอยู่ในกองทุกข์นะไอการรักษาใจประคองใจไม่ให้ล้มก็สำคัญเหมือนกันนะถึงแม้จะเป็นคนหนุ่มคนสาวตัวอาจจะไม่ได้หกล้มนะจนต้องนอนติดเตียงแต่ว่าใจก็อาจจะล้มได้นะ พอใจล้มก็คือมันจมอยู่ในความทุกข์แล้วบางทีมันทุกข์หนักยิ่งกว่าตัวติดเตียงเสียงนะเวลาใจจมทุกข์เนี่ยมันบางครั้งนี่มันหนักยิ่งกว่าตัวติดเตียงในสติเนี่ยมันช่วยรักษาใจนะเวลามีอะไรมากระทบหรือมีเหตุการณร้ายๆเกิดขึ้นเนี่ยใจก็ไม่เสียศูนย์ แต่เราสังเกตนนเวลามีอะไรมากระทบไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ่นทางกายหรือไม่เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตนี้หลายคนนี่เซเลยนะอันนี้เราว่าจิตใจมันเสียส่วนแล้วก็จมอยู่ในความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความล่มเหลวในงานการบางที การเรียนตกต่ำยแย่ที่จริงก็ไม่ได้เรื่องใหญ่นะหรือบางทีสอบเข้าไม่ได้แต่หลายคนเนี่ยนะพอไม่หีุนสติรัก ษ, ษ, ษ, ษาใจเนี่ยใจมันก็ตกวูกเลยมนะั้งอันนี้ก็เรียกว่าล้มเหมือนกันนะตัวไม่ล้มแต่ใจมันล้มล้มล้วก็จมอยู่ในความทุกข์ แล้วถ้าไม่มีสติบางพอนะมันก็จมดิ่งไปเรื่อยๆจงกันทั่งแย่ไปเลยบางทีก็เป่นแนคิดสั้นและเนี่ยต้องรู้จัก น, นะอ่าประคองใจไว้ให้ดีความอยากมันเยไม่พอนะมันต้องมีการลงมือปฏิบัติฝึกจิตฝึกใจให้มีสติเอาไว้ เวลามีอารมณ์เกิดขึ้นก็รู้ทันอารมณ์นั้นเวลามันมีความคิดในทางลบทางร้ายพอมีอะไรมากระทบทางตาทางหูก็ให้มีสติรู้ตัวไว้ที่จริงเวลารับรู้อะไรเนี่ยหรือเสดอะไรเนี่ยไม่ว่าทางตาทางหูทางปากก็ต้องมีสติเอาไว้ มีความรู้สึกตัววาเวลาทำอะไรแล้วก็ให้มีสติเดี๋ยวปล่อยใจลอยมันจะมีสติแต่เนินๆเนีนเน่ยพอมีอะไรมากระทบหรือพอมีเหตุที่ไม่คาดหวังมันก็จะตั้งตัวได้เลยถ้าสิ่งล้มมันก็จะลุกได้ในเวลาไม่นาน ก็ทำให้สามารถจะผ่านพ้นเหตุการณ์ต่างๆที่เลวร้ายไปได้ถ้าเรามีสติเนี่ยไม่ว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ว่าเป็นคนแก่เนี่ยมันก็จะรอดปลอดภัยได้เดี๋ยวยิ่งคนแก่ด้วยนี่ยิ่งต้องมีนะเพราะว่าเผลอแค่ครั้งเดียวนี่มันก็จะทุกข์ไปตลอดชีวิตเลย ยิ่งแก่เนี่ยยิ่งต้องมีสติให้มากในการเดินการเถินแล้วก็ทางการกินแต่จะมีสติในวัยชรานเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นในแบบมีสติในวัยหนุ่มสาวนะอหนุ่มสาวเนี่ยสติไม่ช่วยรักษาใจไม่ให้จมทุกข์นะสําหรับคนแก่สติไม่ช่วยรัยากษากายนะไม่ให้นอนติดเตียงหรือจะหาไว้ต้องนอนติดเตียงนะก็มันก็ทกต้องจัดจ่ายแต่ว่าใจไม่ทุกข์นั่นถือแม้ว่า รูปดูฝนมันกำลังจะหมดไปนะแต่ว่าก็ให้มีสติเอาไว้เสมออย่าประมาทอะไรที่เคยทําได้ไม่ได้แปลว่าวันนี้จะทําได้เหมือนก่อนอะไรที่ไม่เกิดขึ้นในอดีตไม่ได้แปลว่าวันนี้วันหน้าจะไม่เกิดถ้าเตือนใจไว้มันก็จะทำให้สามารถจะหลีกเลี่ยนความทุกข์หรือไม่สร้างทุกข์ให้กับตัวเองได้